พระธิติศาสถาเทวมนุษยานัง8พุโทโธ9ก้ภะควาสิบเอ่อเบทนี้นะแต่บางทีเนี่ยข้อ6คืออนุตตรโอปุริสธรรมสารถิเนี่ยแยกออกเป็นสองคำอีกก็ได้นับเป็น10บก็ได้นะก็คืออนุตตรโอนั้นมีหนึ่งความหมายเอ่อปุริสธรรมสารถิก็อีกหนึ่งความหมายแยกกันก็ได้อธิบายแยกก็ได้อธิบายรวมก็ได้นี่นะตรงนั้นเนี่ย มีข้อความเพิ่มเตมิมอีกฉันจะเจริญพระคุณทั้งหลายเหล่านี้ก็ได้หรือคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีที่สุดไม่มีประมาณท่าโดยพิสดารไม่มีใครที่จะพารณาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้หมดเขาเล่าว่าคนคนหนึ่งมีหัวร้อยหัวอ่ะนะ ในหนึ่งหัวมีปากในหัวหนึ่งนะมีปากร้อยปากในแต่ละปากมีลิ้นร้อยลิ้นใช้เวลาเป็นพันพันปีหรือใช้เวลาเป็นกับกับก็ไม่สามารถพารณาคุณของพระพุทธเจ้าได้โอ้มีหัวร้อยหัวนี่กรนนะนับนบอกมากลนะแล้วนะแล้วในหัวหนึ่งมีร้อยปากในปากหนึ่งมีร้อยดิ้น แต่ละลิ้นไม่ได้ทํางานอะไรเลยพลน า, าคุณของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเนี่ยนะตลอดเป็นกลับกับกับนี้สิ้นไปก่อนแต่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่หมดยังไม่สิ้นมากมายเลือประมาณที่จะขนานับชนะแหละก็บอกว่าพระพุทธเจ้าด้วยการใช้เวลาเป็นกับกับสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าด้วยกันไม่ทําอะไรเลยเนี่ยนะ มานั่งยกย่องพลานาคุณของพระพุทธเจ้าด้วยกันใช้เวลาเป็น ก, กับกับก็ไม่หมดไม่สิน้นพระคุณยังไม่หมดไม่สิน้นแต่การเวลานี้หมดสิ้นไปเสียก่อนเพราะพระองค์นั้นมีคุณธรรมมากมาจริงๆก็บอกเอ๊พูดอย่างเงี้พูดเกินไปมั้งนี่ยนะลองอ่านพระไตรปิฎกดูก็จะรู้ว่าโพระองค์นี่มีคุณมากมาจริงๆคุณแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยยามาเรียน ย, ยังไม่จบเลย สอามานี่ก็เรียนมาตั้งหลายปีแล้วปีนี้นับหนึ่งใหม่เลยนะทุกวันนี้เป็นนักศึกษาปีหนึ่งอยู่ท <c oughs> ่านก็กําลังหัดเรียนใหม่นะเพราะว่าเรียนวันไหนก็เหมือนกับเพิ่งรู้จักพระ อ, องค์วันนี้นี่แหละไ <c oughs> ม่ได้เหมือนกับเรารู้จักพระพุทธเจ้ามานมนานหรือเกินแล้วอย่างเงี้ยนะไม่ใช่เลยรู้สักรู้สึกว่าเอ้เราก็กําลังเหมือนกับเข้าไปหาพระพุทธเจ้าวันเนี้เหมือนเพิ่งรู้จักพระ อ, องค์เนี่ยนะ เขาว่ารู้ความรู้สึกที่ว่าโอ้ยคุ้นเคยกับพระองค์เนี่ยไม่มีมันยากเหลือเกินเนี่ยพระองค์เนี่ยเป็นคนที่คุ้นเคยยากมากในบรรดาผู้ที่คุ้นเคยทั้งหลายเนี่ยนะแล้วถ้าเราศึกษาของประวัติของบุคคลนายกนายขอนายงอหรือว่าศึกษาบุคคลในต่างประเทศเนี่ยนะบุคคลใหญ่คนโตเป็นต้นเนี่ยเอ้คุ้นเคยไม่ยากนะักเรียกว่ามันเข้าถึงกันด้วยความรู้สึกใช่ไหมเพราะบุคคลทั่วไปมีโลภมีความโกรธให้เราก็โกรธเหมือนกันเอ้เข้ากันไม่ยาก คนทั่วไปเขามีโทสะมีโมหะมีโลภะเขามีสภาพจิตคล้ายๆกันนะศึกษาประวัติของเขาเลยเข้าใจไม่ยากแต่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องแต่และเรื่องที่พระองค์คิดเนี่ยมันเกินวิสัยที่เราจะคิดตามท่านเพราะฉะนั้นเราจึงเข้าใกล้พระองค์ได้ยากเหลือเกินเพราะพระองค์นั้นมีคุณมากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรระลึกนึกถึงคุณครั้งหนึ่งเป็นบุญไหม เป็นบุญนะเพราะฉะนั้นบุญให้ความสุขอยู่แล้วถึงจะไม่สนิทคุ้นเคยกับพระองค์มากก็ตามแต่เกี่ยวข้องกับพระองค์ขณะไหนเวลาไหนสวดมนต์แต่ละครั้งด้วยความทราบซึ้งในพระคุณทั้งหลายเหล่านี้สวดมนต์ทีไรใจก็เป็นกุศลทุกที น, นะนะก็ทำให้เกิดความสบายอกสบายใจทำให้เกิดความ ปราบปลื้มใจปีติโสมนัสทางใจเนี่ยสิ่งขณะนั้นนั้นก็เป็นบุญกุศลแล้วก็พระองค์แสดงว่ากุศลธรรมเหล่านี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้รับความสุขเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ความสุขที่เป็นมนุษย์เรียกว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้รับความสุขที่เป็นสวรรค์เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้รับความสุ ข, จจสขทั้งที่เป็นไปเพื่อโล ก, กุตรสุข หรือสุกในพระนิพพานนั่นเองฉะนั้นเป็นสิ่งที่น่าเจริญมากมีส1บดความหมายเนี่ยนะที่เราสวดที่หน้าแรกไม่แปลเลยว่าเป็นผู้ไกลาจากกิเลสเพราะความหมายของพะอระอรหังเนี่ยตามนัยยะแห่งอัตกถานะมีข้อหนึ่งจนถึงข้อหเนี่ยนะแสดงตามอัตกถาสมันตะปาสาธิกาอัตกาถาพระวินัยแล้วก็ ในอัตถกถาวิสุทธิมัคเนี่ยนะวิสุทธิมกัก็แสดงห้านัยยะแต่ที่ข้อ6ถึงข้อสิบเอ็ดนั้นแสดงตามความหมายแห่งดีกาทั้งดีกาวินัยและก็ดีกาวิสุทธิมัชเพิ่มจากข้อ6เป็นข้อถึงข้อสบเอดนี่ยนะตามแนวดีกาเพราะนั้นข้อความในอัตถกถาทั่วไปแม้กระทั่งใน ปฏิสามพิธามักก็แสดงเฉพาะข้อหนึ่งถึงข้อ5เท่านั้นแต่ที่เพิ่มมาเป็นส6บก็คือตามนัยยะแห่งดีกาทั้งสองคำพีคือสารัตถีปณีและก็ปรมาธมัญชุษาข้อแรกเลยนะพระองค์นี้ชื่อว่าเป็นผู้ไกลคำว่าไกลนั้นก็คือไกลจากกิเลสพร้อมทั้งวาสนาเนี่ยนะทีนี้คำว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสเนี่ยเราก็ต้องมาเทียบเคียงดู ใกล้คนที่ใกล้ต่อกิเลสเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยนะคนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วโลภะเกิดโทสะเกิดโมหะเกิดเจอของงามโลภะก็เกิดเจอของไม่ดีไม่งามโทสะก็เกิดเจอของธรรมดาก็ไม่มีปัญญาพิจารณาคนอย่างนี้เรียกว่าคนใกล้ต่อกิเลสพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยพระองค์ไม่ได้ใกล้ต่อลักษณะแห่งกิเลสลักษณะแห่งบาปอากุศลเหล่านั้นเลย คำว่ากิเลสนี้เป็นชื่อของอกุศลทั้งหลายกิเลสนั้นโดยความหมายแปลว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้จิตเศร้าหมองเหมือนกับน้ํานี่อะไรทําให้เศร้าหมองพวกโคลนตมนั่นแหละทําให้น้ําเศร้าหมองทําให้น้ําไม่ผ่องใสหรือว่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่ยมีหมอกเป็นต้นนั่นแหละทําให้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เศร้าหมอง ใจของสาทั้งหลายก็เหมือนกันที่เศร้าหมองอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะกิเลสหรือกิเลสนี่แหละเป็นเครื่องเศร้าหมองหรือเป็นสิ่งที่ทำให้ใจเนี่ยเศร้าหมองทำให้ใจไม่ผ่องใสหรือทำให้จิตใจนั้นเร่าร้อนนี่นะอันตัวกิเลสนั่นแหละถามว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไรก็ความโลภนั่นแหละทำใจให้เศร้าหมองความโกรธนั่นแหละทำให้ใจเศร้าหมองความหลง ความไม่รู้จริงนั่นแหละทำใจให้เศร้าหมองความอิดชา้าความริษยาความปราถนาต่างๆเนี่ยนะหรือว่าเป็นของชื่อของความง่วงนอนเป็นต้นพวกนี้ก็ทำใจให้เศร้าหมองหรือความลังเลสงสยัยความฟุ้งซ่านความรำคาญพวกนี้ก็เป็นชื่อของกิเลสที่ทำจิตให้เศร้าหมองเหมือนกันคือธรรมชาติของจิตนั้นแต่เดิมเศร้ามองไหมนะ จิตแต่เดิมไม่เศร้าหมองคำว่าจิตแต่เดิมไม่เศร้าหมองคือจิตไหนพื้นเพของการนำเกิดในครั้งแรกในจิตคือในพวกเราเนี่ยเรียกว่าภวังขจิตเนี่ยนะผวะปฏิสนธิจิตภวังขจิตนี้เป็นจิตประเภทเดียวกันเพราะฉะนั้นภวังขจิตเนี่ยนะจิตธรรมดาพื้นเพจิตที่หลับนะจิตที่หลับสนิทจริงๆเรียกว่าผวังขจิตผวังขจิตเหล่านั้นเนี่ยไม่มีกิเลสรบกวนเลยนะ เพราะขณะที่หลับสนิทเนี่ยคนจะสดชื่นเลยเพราะไม่มีกิเลแสแทรกไม่มีกิเลสรบกวนแต่มาเศร้าหมองพระอุปกิเลสจรมาพอในชวนะเกิดขึ้นโลภะโทสะโมหะมาะริษยาทิฐิต่างๆก็เข้าไปแทรกเข้าไปเล่นงานใจเลยเศร้าหมองเพรา ะ, ะเวลาหลับสนิทแล้วก็สบายใช่ั้ยตื่นขึ้นมาเศร้าต่อพระพุทธเจ้านี้ไกลจากกิเลสเหล่านั้นพร้อมทั้งวาสนา คําว่าวาสนานี่มีหลายความหมายนะวาสนาบางแห่งนี่ก็เหมือนกับโชควาสนาคนมีโชคคนมีว่วาสนาคือคนมีบุญนั่นแหละแต่วาสนาอีกส่วนหนึ่งก็แปลว่าความสามารถที่กิเลสยังลงแล้วประพฤติสิ่งนั้นๆบ่อยๆเนี่ยนะแม้แต่เป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังละไม่ได้เหมือนกับพระปิรินทวชะที่กล่าวบ่อยๆว่าคนถ่อยไปไหนมาคนถ่อยจะไปไหนคนถอยอย่างไงท่านก็จะใช้คําแบบนี้ประจํา คือเป็นถ้อยคําที่ไม่ดีอ่ะนะกายกรรมวจีกรรมส่วนหนึ่งที่คนทั่วไปมองดูแล้วไม่ดีแต่แต่ไม่ได้เกิดจากอกุศลอะไรเพราะเป็นพระ้าหาันแต่ของพวกเรานี่นะว่าวาสนาเต็มไปหมดเลยเช่นอะไรสมมติว่าเห็นน้ําเนี่ยพอกระโดดได้ก็หยงแล้วเป็นต้นนะนะเหมือนพระสารีบุตรที่ท่านยังละวาสนาไม่ได้เนี่ยท่านเห็นน้ําระหว่างทางเนี่ยท่านเห็นแล้วท่านโดดเลยแต่เจ้าเท่านั้นจึงจะ ทั้งที่มันดูแล้วก็ไม่ค่อยงามอะ่ะแต่ท่านก็กระโดดเพราะอุปนิสัยเคยเกิด น, น, นอนเคยเกิดเป็นลิงมาหลายชาติด้วยกันเหนะ็นไหะเพราะพระองค์นี้ละวาสนาที่เป็นเหตุให้ประพฤติที่ไม่ดีส่วนนั้นออกไปแต่ไม่ใช่ว่าวาสนาซึ่งหมายถึงส่วนแห่งบุญนะหรือว่าฟังธรรมเพื่อเป็นส่วนแห่งวาสนาต่อไปก็คือจะได้มีบุญสะสมต่อๆไปอันนั้นก็อีกในหนึ่ง เพราะฉะนั้นคำว่าวาสนานี่มีหลายความหมายแต่ความหมายตรงนี้แปลว่าการกระทําที่ไม่ดีหรือการพูดที่ไม่ดีที่เคยทําตั้งแต่มีกิเลสสะสมมาถึงละกิเลสเป็นพผ้ารหันทั่วไปก็ยังละไม่ได้พระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะละวาสนานอันนี้ได้ถามว่าไงนะี่ ก็น่าจะได้ความเคยชินที่เคยทําด้วยอกุศลเนี่ยนะนละความเคยชินเหล่านั้นได้ทั้งหมดอันนี้ความหมายของถามว่าที่ละจากกิเลสไกลาจากกิเลสทั้งหมดเหล่าเนี้ยละด้วยอะไรพระองค์ละด้วยอริยมรรคนะคาว่าผู้ไกลาจากกิเลสพร้อมทั้งวาสนาเนี่ยนะด้วยอริยมรรคนั่นเองพระองค์เนี่ยเจริญกุศลธรรมจนอริยมรรคเกิดขึ้น อริยมรรคของพระองค์เกิดขึ้นก็ละกิเลสพร้อมทั้งวาสนาเหล่านี้ได้โดยเด็ดขาดคําว่าอริยมรรคนั้นเป็นชื่อของธรรมะแปประการที่มาประชุมกันธรรมะแปประการที่มาประชุมกันแล้วมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะซึ่งธรรมะแปประการนั้นเกิดขึ้น เมื่ออบรมเจริญสมถะและวิปัสนาจนบริบูรณ์อริยมรรคทั้งแปดประการก็เกิดขึ้นอันอริยมรรคมีองค์แปดที่เกิดขึ้นนั้นประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินี้มีนิพานเป็นอารมณ์สัมมาสังกประสัมมาวาจาสัมมากามันตะสัมมาชีวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยนะแปดอย่างมีนิพานเป็นอารมณ์ขณะที่อริยมรรคเกิดขึ้นมีนิพานเป็นอารมณ์ขณะนั้น กิเลสและวาสนาถูกฆ่าหมดเกลี้ยงนะถูกฆ่าหมดเกลี้ยงในขณะนั้นเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นไปแล้วกิเลสและวาสนาจะไม่เกิดขึ้นอีกสําหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าเพรา ะ, ะนั้นขณะที่อรยิยมรรคเกิดขึ้นก็เหมือนกับเราเอาเมล็ดมะม่วงหรือเมล็ดขนุนเนี่ยนะไปต้มให้มันสุกเลยนะขณะที่ความความร้อนได้ที่เดือดอนาะยยางแห่งขนุนเชื้อที่จะไปเพาะให้ ให้งอกเนี่ยนะที่จะทําให้ปลูกขึ้นต่อไปไม่มีหรือว่าเป็นเหตุให้เป็นอย่างอื่นอย่างอื่นต่อไปไม่มีเพราะถูกความร้อนเนี่ยนะทำให้สุกฉันใดอริยมรรคของพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นก็ทําลายกิเลสโดยสมุเทเฉทะปะหานส่วนวิธีการเจริญอริยมรรคนี้คงจะได้กล่าววันต่อตอไปว่าพระพุทธเจ้าเจริญอริยมรรคอย่างไรจึงได้เป็นพผ้รหรัน์นี่ยนะซึ่งเราจะได้กล่าวใน พุทธคุณว่าสัมมาสัมพุทโธอีกครั้งหนึ่งแต่นี้ก็คืออารหังนี่เน้นถึงความบริสุทธิ์ของพระองค์นั่นเองพูดถึงความบริสุทธิ์หมดจดแต่ความบริสุทธิ์เหล่านั้นพระองค์บริสุทธิ์ด้วยอริยมรรคไม่ได้บริสุทธิ์ด้วยอย่างอื่นนะไม่ได้บริสุทธิ์เพราะอาบน้ำไม่ได้บริสุทธิ์เพราะบริโภคอาหารไม่ได้บริสุทธิ์เพราะยืนเดินนั่งนอนไม่ได้บริสุทธิ์เพราะอิริยาบถไม่ได้บริสุทธิ์เพราะอาหารไม่ได้บริสุทธิ์เพราะเครื่อง นุ่งหม่มแต่พระองค์ทรงบริสุทธิ์ด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ปดฮันอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เกิดขึ้นในจิตใ จ, ใจของพระองค์ในสันดานของพระองค์ก็ทำให้พระองค์เนี่ยทำลายสิ่งที่เศร้าหมองจากจิตของพระองค์เพราะความที่พระองค์นี้ไม่มีกิเลสลักษณะนี่นะใครจะเอาน้ำหอมเนี่ยไปลูบเลยครึ่งตัว เอาของดีของหอมไปรูปครึ่งตัวแล้วเอาของเหม็นเอาอุจาราเนี่ยไปฉาบทาอีกครึ่งหนึ่งใจของพระองค์ก็เสมอกันไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนดีใจเพราะของหอมมาลูบไล้มาลูบทาไม่ได้เสียใจเพราะของเหม็นมามาแปดมาเปื้อนนะจิตใจของพระองค์เนี่ยเป็นลักษณะนั้นไม่เศร้าหมองแม้แต่นิดเดียวเเพราะฉะนั้นทำอย่างไรใจของพระพุทธเจ้าก็ไม่เศร้ามอง ทีนี้อรหั อ, องค์เนี่ยเศร้าหมองโดยเด็ดขาดโดยไม่มีส่วนเหลือเพราะว่ากิเลสเนี่ยทำความเสียหายให้คำว่าทำความเสียหายเนี่ยนะกิเลสถ้าเกิดขึ้นทำความเสียหายแก่ประโยชน์ในโลกนี้ด้วยกิเลสเนี่ยทำความเสียหายแก่ประโยชน์ในโลกหน้าด้วยกิเลสถ้าเกิดขึ้นทำความเสียหายแก่ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ คือโลเกิดขึ้นแล้วทำลายใจทำให้ใจเสียหายทำให้ใจถูกประทุสร้ายสิ่งนั้นเรียกว่าฆ่าศึกในที่นี้เป็นชื่อของกิเลสเป็นชื่อของสิ่งที่เศร้าหมองนั่นแหละพระพุทธเจ้าเนี่ยทำลายสิ่งที่เป็นเหตุให้ใจของพระองค์เนี่ยเศร้าหมองโดยเด็ดขาดโดยไม่มีส่วนเหลือเพราะว่ากิเลสเนี่ยทำความเสียหายให้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 สองฝ่ายหันกิเลสคือโลภะโทสะโมหะเนี่ยเป็นฆ่าศึกภายในเป็นศัตรูภายในเป็นเพชฌฆาตภายในเป็นผู้ทําลายภายในเป็นอัมิตรภายในเนี่ยนะถ้าเขาเาเกิดขึ้นเขาทําลายสภาพจิตเหล่านั้นโดยปี้ปนไม่มีส่วนเหลือเหมือนกับไฟถ้าไฟเกิดที่ไหนก็จะทําลายสถานที่นั้นๆทําให้ที่นั้นนั้นเนี่ยเสียหายย่อยยับป่นปี ไฟทำให้ปราสาทาชวังปราสาทฉวังก็จะเสียหายจํากล่าวไปใหญ่ถึงสิ่งอื่นเพราะกิเลสเหล่านี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดก่อความเสียหายก่อความชีพหายให้แก่ผู้นั้นอย่างมากมายมหาศาลเนี่ยนะคิดดูนะเหล็กใหญ่ๆโตๆเหล็กอันนั้นเนี่ยไม่น่าเสียหายเลยนะแต่สนิมเข้าไปพักเดียวกันนะั้นเอง ก่ความเสียหายให้เหล็กเหล่านั้นเนี่ยไม่มีส่วนเหนือเหล็กนั้นถึงความเป็นเหล็กใช้ไม่ได้ชั้นใดสภาพจิตของผู้ใดถ้าราคะโทสะโมหะเข้าไปทิ่มแทงเข้าไปเสีดแทงเข้าไปทไําลายก็จะทําให้จิตใ จ, ใจของผู้นั้นเร่าร้อนกวลกวายกิเลสเหล่านั้นเป็นสมุทัยสัตว์เป็นเหตุเกิดในภพใหม่เพราะกิเลสนั่นแหละเพราะโลภามีโทสะมีโมหะมีนรกจึงมี อสุรกายจึงมีสัตว์เดรัจชานจึงมีปิติวิสัยจึงมีถ้าหากว่าไม่มีกิเลสไม่มีโลภะโทสะโมหะภายในเนี่ยนรกไม่มีรกกําเนิดสัตว์เดรัจชานก็ไม่มีอบายทุกติวินิบาตินรกไม่มีโดยประการทั้งปวงแต่เพราะกิเลสมีนี่แหละวัตถุทุกทั้งหลายเหล่านั้นจึงมี เพราะกิเลสมีนั่นแหละจึงทําให้บุคคลทั้งหลายเย่อหยิ่งถือตัวดูมินดูแคลนจองห้องต่างๆเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นในสภาพจิตของเขาทําให้กิริยาอาการทําให้คําพูดกายกรรมวิจิกรรมการยืนการเดินการนั่งการนอนกลายเป็นบุคคลที่น่ารังเกียจไปเลยก็เพราะสภาพจิตที่เป็นบาปนั่นเองกิเลสเหล่านี้ซึ่งก่อความเสียหายก่อความชีพหายต่างๆพระองค์ทําลายหมดสิน้นโดยไม่มีส่วนเหลือ อันนี้ก็ความหมายที่2ของคําว่าอารหังเนี่ยนะก็บอกว่าวิธีเจริญอารหังอย่างหนึ่งนะก็บอกว่าวิธีเจริญบอกอารหังกลายจากกิเลสให้เรามีกิเลสนะพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสก็ไล่ต่อไปเราโลภพระพุทธเจ้าไม่โลภพระพุทธเจ้าไม่โกรธแต่เราโกรธยังไงเทียบเคียงลักษณะนี้ก็ทําให้รู้ให้พอจะระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าได้เหมือนกันนะในความหมายของอารหังใช่ไหมเราเรา่าร้อนแต่จิตใจของพระองค์ สงบเนี่ยนะหรือความหมายในยะที่สามเนี่ยคาว่าหางก็คือทําลายซี่กรรมแห่งสังสาระจักรเนี่ยนะถ้าหากว่ามีล้อเกวียนเนี่ยเราจะนึกออกง่าย <c oughs> เรียววรกนะ ว, ว่าสังสาระจักรนี่นะสังสาระคําว่าสังสาระหรือสงสารสงสารคําว่าสงสารในที่นี้ไม่ใช่กรุณาเนอะ การุณานี้ไทยไทๆแปลว่าสงสารแต่สังสาระหรือสงสารในพุทธคุณว่าอารหังไม่ใช่สงสารคือกรุณาหรือเห็นใจแต่สงสารตรงนี้เป็นชื่อของสิ่งที่เป็นไปโดยลําดับะนะเหมือนกับเหมือนกับกระแสน้ําที่มันไหลไปตามเป็นลําดับลำดับลําดับไปถามว่าอะไรที่ไหลไปเป็นลําดับขันธ์ธาตุและอายตนะ ที่ไหลสืบเนื่องเป็นลําดับโดยไม่ขาดสายไม่มีเบื้องต้นไม่มีที่สุดอย่างนี้แหละเรียกว่าสังสาระสังสาระอยู่ที่ไหนโนอเอางี้นะของเรานี่เคยเคยมีเวลาไหนแบบมันหยุดอยู่กับที่เลยนะไม่สืบเนื่องเลยมีไหมแต่ว่า ชีวิตของเราที่สืบเนื่องมาตลอดอย่างเนี้ยตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยนะตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายไลสืบเนื่องไปในะลักษณะนี้โดยเป็นลําดับไม่ขาดสายเลยไม่มีระหว่างเลยนะไม่มีการหยุดด้วยนะอย่างนี้แหละเรียกว่าสังสารเนี่ยนะก็คือลําดับแห่งขันธาตุอริยตนะหรือลําดับแห่งชีวิตที่ไหลสืบเนื่องอย่างนี้แหละเรียกว่าสงสารสงสาร ทีนี้คำว่าสังสารจักรคำว่าจักรนี่นะเราต้องนึกถึงล้อล้อวงล้อแห่งสงสารวงล้อแห่งขันธาตุอิจตนะเนี่ยนะะคำว่าวงล้อเนี่ยนึกถึงล้ อ, อกเกวียนล้ อ, อกเกวียนหรือล้อจักรยานเนี่ยนะก็ น, นึกถึงว่ารอบนอกเขาเรียกว่าอะไรรอบนอกของล้อเนี่ยนะวงนอกอะ่ะเขาเรียกว่ากงกงรอบนอกเขาเรียกว่ากงทีนี้กงเนี่ยจะมีซี่กรรมมาเชื่อมกับดุม นนะดดมก็คือ แ, อแกนคำว่าดดมเนี่ยมันเป็นก้อนๆที่เชื่อมระหว่างกรรม